ยลานพรท่านผู้มีเจิญเมตตากรรมนาใจผุใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 7่ิเพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 5พเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาศึกษามาฟังธรรม เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้กับชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญปราศจากความทุกความเสื่อมเสียต่างๆเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงสวา่างที่เราใช้ในที่มืดกันถ้าเราอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสวา่าง เราจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างได้เราจึงต้องมีไฟฟ้ามีไฟฉายเวลาที่เราอยู่ในที่มืดกันจิตใจของพวกเราตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในที่มืดจิตใจตอนนี้ถูกความมืดของความโมหะคือความหลงของอวิชชาความไม่รู้ความจริง ปกปิดอยู่ยังเป็ดเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดที่ไม่มีแสงสว่างเราจึงต้องเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบด้วยพระองค์เองทรงรู้ว่าอะไรเป็นสุข อะไรเป็นทุกข์จึงนำเอาความรู้นี้มาสอนพวกเราเพราะพวกเราทุกคนก็ต้องการความสุขกันไม่มีความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์กันแต่ตอนนี้ทำไมเราจึงยังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆทั้งๆที่เราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันก็เพราะว่าเราไม่มีแสงสว่าง เราไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์โดยคิดว่ามันเป็นสุขนั่นเองเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดเราไปหยิบของเราคิดว่าเป็นของใช้แต่เราไปหยิบมีดเข้าหรือไปถูกมีดบาดเข้าเพราะเรามองไม่เห็นมีดแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้ได้สิ่งที่เป็นโทษเราก็ไม่เอามาใช้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์อย่างความสุขในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งแยกไว้เป็นสองส่วน ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกันเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขของขัดทางโลกก็เป็นอย่างหนึ่งเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขทางธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วผู้ที่ต้องการความสุขแบบไหนก็สามารถเลือกได้ ความสุขทางโลกนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขชั่วที่มีมีเหตุที่ทาให้เรามีความสุขได้ความสุขที่จะอยู่แค่ชีวิตนี้คือร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้หมดความสุขทางโลกก็จะหมดไปแต่ความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขของใจ เป็นความสุขที่ไม่ตายไปกับความสุขทางโลกเราก็สามารถเลือกเอาได้สองทานด้วยกันความสุขทางโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเกิดด้วยเหตุสีประการด้วยกันคือหนึ่งความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ 3. ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินและ 4. ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขทางโลกของผู้ครองเรือนอย่างคารวาษญาตโยงทั้งหลายกำลังอยู่กับความสุขทางโลกกันอยู่เพราะกำลังหาเงินหาทองกำลังใช้เงินใช้ทองกันและพยายามหลีง ไม่ให้มีหนี้มีสินและพยายามกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นโทษเช่นไม่กระทำการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ น, นี่คือความสุขทางคลววาส่วนผู้ที่เบื่อความสุขทางโลกทางคลรวาผู้ของเนินก็จะไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขทางธรรมความสุขทางจิตใจ ความสุขทางจิตใจนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมาดัางนั้นเรามีทางเลือกสองทางเราจะเอาความสุขชั่วคราวก็ได้เราจะเอาความสุขที่ถาวรก็ได้เราสามารถเลือกเอาได้ถ้าเรา อยากจะได้ความสุขชั Hence, ่วคราวหรือเรายังไม่สามารถไปหาความสุขทางธรรมได้ก็ขอให้เรามาศึกษาวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขชั่วคราวนี้ไปก่อนข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าการมีทรัพย์จะทำให้เรามีความสุขการมีทรัพย์นี้ก็เกิดขึ้นได้สองวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งก็เกิดจากการได้ทำบุญมาในอดีตชาติถ้าเราเคยทำบุญมามากเวลาเรามาเกิดชาตินี้บุญที่เราทำไว้ก็จะมาสแสดงผลให้กับเราเช่นเราได้มาเกิดเป็นลูกของคนร่ำคนรวยของคนมีเงินมีทองเกิดมาก็มีทรัพย์เลยนี่ก็คือเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้ คนเหล่านี้เกิดมารวยรุ่นจนก็เกิดจากบุญที่ได้ทำมาในอดีตถ้าเคยทำบุญมาในอดีตพอมาเกิดก็จะได้เกิดเป็นลูกของคนรวยเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรพระ อ, องค์ก็ทรงทําบุญอย่างมากมายกายกองมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรก็ยินดีที่จะจะให้แก่ผู้ื่ ใครเดือดร้อนใครมาขออะไรก็ทรงให้ด้วยความไม่มีความหวงเพราะพระองค์ทรงมีความสุขที่เกิดจากการได้ทำบุญแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆที่พระองค์ได้ทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นไปนั้นก็เหมือนกับเอาทรัพย์ไปฝากไว้ในธนาคารเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร พอเราต้องการเงินเราก็สามารถไปเบิกเงินในธนาคารได้เงินนี้ยังเป็นของเราอยู่เช่นพระเวชสันดรก็เอาทรัพ์ไปฝากธนาคารบุญเรามีด้วยการทำบุญมีอะไรก็แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นไปพอตายไปก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์หลังจากหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดใหม่ กมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีพระราชสมบัติรออยู่แล้วอันนี้ก็คือการมีทรัพย์ด้วยการได้ทำบุญมาในอดีตแต่พวกเราที่มาเกิดนี้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นลูกคนรวยก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญมาก่อนหรืออาจจะรวยมากรวยน้อยต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำมามากน้อยต่างกันไปบางคนก็เกิดมาไม่รวยแต่ก็ไม่จนพอมีพอกินบางคนเกิดมาก็ยากจนไม่พอมีพอกินอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันผ่านมาแล้วเราก็ต้องรับผลของการกระทาของเราในอดีตไปแต่เรายังมีโอกาสที่จะมีทรัย์ ได้เพราะเมื่อเราเกิดมาจนหรือไม่ใช่เป็นคนรวยเราก็ยังสามารถไปทำมาหากินหาเงินหาทองได้และล่ำรวยขึ้นมาได้อย่างมหาเศรษฐีในเมืองไทยหลายท่านก็เป็นคนยากจนเป็นคนที่อดพยพมาจากประเทศจีนมีหมอนใบเสือใบแต่พอมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ตั้งหน้าตั้งตา ทำมาหากินไม่ไม่ใช้เงินหาเงินได้มาเท่าไหร่ก็เก็บไว้ใช้เงินแต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้สำหรับค่าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มแล้วก็ไม่ไปเที่ยวมีแต่ทำงานปีหนึ่งก็จะหยุดแค่ช่วงตรุษจีนสองสามวันวันอื่นไม่หยุดเปิดร้านทุกวัน ก็เลยมีรายได้เข้าทุกวันมีรายได้เข้ามาก็เก็บไว้ไม่เอาไปใช้สรุยสรายแล้วพอมีเงินพอก็ไปขยายสาขาเปิดร้านสาขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีเป็นร้อยสาขาเช่นพวกธนาคารนี่เขาก็ตอนต้นก็เปิดสาขาเดียวแล้วต่อมามีลูกค้ามากขึ้นเขาก็ขยายไปเปิด สาขาอื่นต่อไปจนเดี๋ยวนี้มีสาขาเป็นร้อยเป็นพันกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีทรัพย์ได้ก็คือให้เรามีความขยันทรมาหากินเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทองไม่ใช้เงินใช้ทองแบบสุรุ่ยสุรายแบบฟุ่มเฟือยอันนี้เราก็จะมีทรัพย์ พอมีทรัพย์แล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขว่าเรารู้ว่ามีทรัพย์จะทําให้เราไม่เดือดร้อนนั่นเองไม่มีอาหารก็มีทรัพย์ซื้อมากินได้ไม่มีเสื้อผ้าก็มีทรัพย์ไปซื้อมาผมได้ไม่มีบ้านก็ไปซื้อทรัพย์มาซื้อบ้านมาอยู่ได้นี่คือความสุขข้อที่หนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ความสุขข้อที่สองก็คือ เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นประโยชน์<ม>ให้เป็นความสุขการใช้ทรัพย์นี้ก็จะทำให้เกิดความสุขก็ได้<ม>เกิดความทุกข์ก็ได้วิธีที่ใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขก็คือเอามาซื้อของที่จำเป็นต่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัย พอเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์เราก็มีความสุขทางร่างกายนั่งกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลน <c oughs> แล้วถ้าเรายังมีทรัพย์เหลืออยู่เราก็สามารถที่จะเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญน่าเอาไปทําบุญกันเพราะว่าเราตายไปเราไม่สามารถเอาเงินทองเหล่านี้ติดตัวไปกับเราได้ แต่เราสามารถเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารบุญได้พอเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะมีทรัพย์ที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญรอเราอยู่จะทำให้เรามาเกิดรวยหรือจนรวยมากหรือรวยน้อยก็อยู่ที่บัญชีเงินฝากนี่แหละถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารอยู่เรื่อยๆเงินบัญชีเงินฝากมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วนอกจากนั้นยังมีดอกเบีย้ยใหอ้อันนี้คือวิธีใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เรามีความสุขทั้งปัจจุบันและมีความสุขในอนาคตเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่นนวิธีที่สองการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาก็คือการใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบสุรุย่ยสุรา ย, รยเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อมา ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแต่เห็นแล้วชอบอยากได้ก็ซื้อซื้อมาแล้วเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้เพราะเวลาซื้อตามความอยากนี้มันจะไม่มีความพอเป็นเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากซื้อซื้อไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเงินก็ไม่พอใช้แล้วก็ไปเป็นหนี้เป็นสินได้ เพราะสมัยนี้เขามีบัตรเครดิตให้เรารูดได้เรารูดบัตรไปรูดบัตรไปแต่เราไม่มีเงินเราก็กลายเป็นหนี้ของธนาคารที่เราจะต้องหาเงินหาทองมาใช้นอกจากเงินต้นแล้วยังต้องมีเงินดอกอีกนี่คือวิธีใช้เงินที่จะทำให้เราให้เกิดโทษหรือการเอาเงินไปใช้กับ การเล่นการพนันการดื่มสุรายาเมาการไปเที่ยวเตรตามสถานที่ต่างๆทั้งกลางวันทั้งกลางคืนวิธีใช้ทรัพย์แบบนี้มีแต่จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวเพราะไม่มีไรายได้กลับคืนมาฉันั้นอย่าใช้เงินทองแบบนี้ใช้ไปแล้วจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังเป็นทุกข์ขึ้นมา ข้อที่สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้นะการจะไม่มีหนี้ก็เกิดจากการรู้จักการหาเงินและรู้จักการเก็บเงินรู้จักการใช้เงินไม่ใช้มากกว่าที่เราหามาได้ถ้าเราไม่ใช้มากกว่าเงินที่เราหามาได้เราก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ถ้าเราใช้มากกว่าเงินที่เราหามาได้เราก็จะไม่พอใช้ เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันดังนั้นเวลาใช้เงินขอให้เราดูรายได้ว่าเรามีเท่าไหร่แล้วพยายามใช้ให้อยู่น้อยกว่ารายได้ให้รายจ่ายน้อยกว่ารายได้เพื่อที่เราจะได้มีเงินเก็บสะสมไว้บ้างสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะสามารถหาเงินหาทอง ได้อย่างเหมือนกับที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้หรือไม่ดังนั้นอย่าเอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นเอาเก็บไว้ฝากไว้ในธน า, าคารหรือเอาไปทำบุญจะดีกว่าใช้กับสิ่งที่จำเป็นและก็ต้องใช้พอประมาณเช่นเสื้อผ้ามีไฟพอใส่ก็พอแล้วอย่ามีเต็มตู้มีหลายตู้ ซื้อมามากๆ ก, ก็ไม่ได้ใส่เวลาใส่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ครั้งละชุดเดียวแต่ทำไมต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยชุดกันซื้อมาแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าจะเอาไปขายก็ไม่ได้เวลาไม่มีเงินทองจะเอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาไปขายก็ไม่มีคนซื้อขายก็ขายแบบถูกๆสู้เก็บเงินไว้ดีกว่าเพื่อวันที่เราขาดแคลนเงินทอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตกงานเราจะได้มีเงินสำรองเก็บเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปขอยืมเงินจากคนนั่นคนนี้เพราะไม่มีใครเขาอยากจะให้เรายืมเงินเพื่อนที่ดีขนาดไหนพอเราไปยืมเงินเขานี่เขาก็จะรังเกียจเราเขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเรา ดังนัง้นพยายามอย่าไปมีหนี้มีหนี้แล้วมันมีความทุกข์ใจเพราะว่าจะต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้เวลาเจอเจ้าหนี้ต้องคอยหลบหน้าหลบตาถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องทนให้เขาด่าให้เขาว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการไปปีหนี้มีสินให้สร้างความสุขให้กับเราด้วยการไม่มีหนี้ไม่มีสิน ข้อที่สี่ความสุขที่เกิดจากการไม่กระทาสิ่งที่เป็นโทษเนเช่นกระทาผิดกฎหมายถ้าเราไปทำผิดกฎหมายนี่มันเป็นโทษขึ้นมามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราไปลักทรัพย์ไปช่อโกงอย่างนี้เดี๋ยวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจมาจาับไปขังคุกขังตารางหรือเราไปขายยาเสพติด ทำอะไรที่ผิดกฎหมายขับรถแล้วก็ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่มาจับไปลงโทษเพราะฉะนั้นพยายามเป็นคนที่เป็นคนดีคือรักษากฎหมายเข้ารบกฎหมายกระทาให้ถูกกฎหมายอย่าทำผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะไปใช้โทษในอนาคต ในหลังจากที่เราตายไปแล้วก็อย่าไปทําบาปเพราะการกระทําบาปถึงแม้ว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้รับโทษแต่ตายไปแล้วจะต้องไปรับโทษอย่างแน่นอนเพราะทําบาปบาั่ทีอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้ไม่มีใครจับเราไปลงโทษก็ได้แต่เวลาตายไปนี้กฎแห่งกรรมจะจับเราไปลงโทษเอง คนที่ทำบาปนี้ตายไปแล้วจะต้องไปใช้โทษในอบายคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกเรื่องนี้พวกเราอาจจะไม่เชื่อกันก็ได้ว่าเราไม่เห็นว่าใครจะเป็นคนไปรับโทษอันนี้เพราะเราเห็นว่าตัวเราก็มีแค่ร่างกายอันนี้พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ ไม่มีใครจะไปรับโทษต่อแต่ความจริงมีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายให้กระทำอะไรต่างๆแต่เรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เป็นคนรับใช้แต่เรานี้เป็นเจ้านายเป็นคนสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราอยู่ที่ใจเราใช้ใจสั่งร่างกายด้วยความคิด อย่างวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาที่วัดให้มาทำบุญมาทำบุญเราก็จะได้สะสมบุญไว้สำหรับเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็จะได้ไปรับผลบุญไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของคนรวยนี่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าใจเวลาร่างกายตายไป เราก็เรียกใจว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทําบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตถ้าทําบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือการกระทําที่พวกเราควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าร่างกายตายไปแล้วก็จบ ตายแล้วก็สูงบุญทำแล้วก็ไม่มีผลบาป ท, ทำแล้วก็ไม่มีผลใช่มันไม่มีผลกับร่างกายแต่มันมีผลกับจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือความสุขของผู้คองเรือนหรือความสุขทางโลกเป็นความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการมีทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ที่เกิดจากการไม่มีนี้ และที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ขอให้กระทาตามที่พระตุเจ้าได้ทรงสแสดงไว้นี้ให้มีทรั์ให้ใช้ทรั์อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ให้มีนี่สินและอย่าไปกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ทำแล้วทำให้เกิดโทษตามมา ชีวิตของเราก็จะมีความสุขไปจนถึงวันตายแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ยาวกว่านั้นหลังจากที่ตายไปแล้วก็มีความสุขต่อเราก็ต้องมาหาความสุขทางใจความสุขทางใจอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหาพระพุทธเจ้าก็เคยมีความสุขทางโลกแต่ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวพอถึงเวลาแก่เจ็บตาย ความสุขเหล่านั้นก็จะหายไปพระองค์จึงไม่อยากจะแก่เจ็บตายอยากจะมีความสุขไปอย่างตลอดพระองค์ก็เลยต้องออกไปบวชไปหาความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะได้พบความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าความสุขใจ ความสุขใจนี้เกิดจากการทำใจให้สงบสิ่งที่จะทำใจให้สงบได้ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองนี่คือวิธีของนักบวชของพระภิกษุทั้งหลายของแม่ชีหรือของผู้ที่ถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวกันพวกนี้เขาไม่หาความสุขจากการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์แต่เขาจะหาความสุขจากการ มาทำใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็กำจัดเหตุนั้นไปพอสามารถกำจัดเหตุที่เป็นความทุกข์หมดไปเจ็ดก็จะมีแต่ความสุขนั่เป็นความสุขที่ถาวรเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขนี้ก็ไม่ได้หายไปกับร่างกาย ความสุขนี้อยู่กับใจที่ไม่มีวันตายที่เรียกว่าความสุขของพระนิพพานนี่นี่เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ครอบครองและยังครอบครองอยู่จนปัตนี้ใจของท่านไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราจึงไม่สามารถติดต่อกับพวกเราได้แต่ใจของท่านนี้มีความสุข ตลอเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่เรียกว่าความสุขทางธรรมความสุขที่แท้จริงที่ที่พวกเราไม่ไม่ช้าก็เร็วในอนาคตข้างหน้าก็จะต้องเข้าหากันเพราะเราจะต้องเห็นโทษของความสุขที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้เพราะมันจะเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาเราแก่เราเจ็บเราตาย เราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการใช้ทรัพย์ได้เหมือนอย่างที่เรายังสามารถหากันได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าต้องหาความสุขอีกแบบหาความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงหาก็จะเข้าวัดกันเข้ามารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันต่อไป แล้วต่อไปเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปนี่คือเรื่องของความสุขสองชนิดด้วยกันคือความสุขทางโลกที่เป็นความสุขชั่วคราวและความสุขทางธรรมที่เป็นความสุขที่ถาวรที่พวกเราจะสามารถเลือกเลือกได้ว่าเราต้องการความสุขแบบไหน ก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญคร่าคราปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ